เวลาฟังเกตเวลาปฏิบัติเวลาฟังเกตเวลาปฏิบัติตามลำพังเวลาปฏิบัติตามลำพังเราก็ยกเอสติขึ้นมาขึ้นตัวกำกับในการทำเวลาฟังเทตเราก็เอาสติตามประจัญญาอันนี้ขึ้นมาทาอย่างเก่า มันกันไหันภาชนะขึ้นมาโดยปกติเราภาชนะเรามันคล่อมมันเยียงฟังเสพจะไม่เข้าใจคนส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเข้าใจในการฟังเสพมาฟังเสพจะได้เสียงมันไม่ใช่นะมาฟังเสพจะได้ได้ฟังเสียง เสียงก็มันก็มีอยู่สองอย่างเสียงว่าดีว่าชั่วเพราะนั้นแหละเสียงแต่ถ้าเราฟังเทศเพื่อให้ใจเราสงบมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งการฟังเทศเพื่อจะให้ใจสงบก็คือตั้งภาชนะขึ้นมากำหนดความรู้อยู่ในใจของเรา ไช้สติสัมปชัญญะให้มันรู้อยู่ตลอดเวลาเสียงทำหรือเสียงเทศมันจะเข้าไปสัมผัสที่ใจของเรานั้นเลยกับความรู้นั้นแต่เราไม่ได้ฟังเอาเสียงแต่คนส่วนมากเราจะไปฟังเอาเสียงถ้าเสียงเขาพูดดีก็ว่าดีเสียงเขาพูดไม่ดีก็ว่าไม่ดีแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องของอัดของทำ ธรรมนี่นมันจะเป็นไปตามกนบธรรมเนียมประเพณีของมันคือธรรมธรรมคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาของมันอันนั้นธรรมมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วฉะนั้นเราฟังเข้าไปเพื่อให้ใจเรานิ่งอยู่กับความรู้ในปัจจุบันนี่คือการฟังธรรมให้มันได้ผลการฟังธรรมที่ไม่ได้ผลตัวคือเราไปฟังเอาเสียง ฟังเอาเสียงเขามาจำสิ่งที่จับหยากเราเห็นกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองเราได้ยินกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองเขาค่าตีบีโบยซึ่งกันและกันแต่เราไม่เกิดความตระลดสังเวชเห็นคนแก่คนเก็บคนตายก็เห็นกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองแต่เราไม่เกิดความตระลดสังเวชแต่ถ้าเราฟังเข้าไปที่ใจของเราเมื่อเราเห็นเราขนน้อมเข้าไปนั้นถึงใจ อันนั้นเรียกว่ามันเกิดความสลดสํางประเทศขึ้นมาที่ใจเพราะตัวใจจะเป็นตัวที่เข้าใจเรื่องธรรมไม่ใช่ตัวสัญญาขันที่จะมาเข้าใจเรื่องธรรมสัญญาขันก็คือเป็นสิ่งที่จำได้หมายรู้ธรรมดาเขาก็จำกันได้หมายรู้กันได้ทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่มีประโยชน์อะไรอันนั้นดันั้นฟังธรรมให้เกิดประโยชน์ให้จิตสงบ นี่คือการฟังธรรมที่จะให้เกิดจิตสงบนั่นถึงว่าการฟังเป็นฟังธรรมได้ความเป็นยังไงความได้ความก็คือจิตสงบลงไปในขณะที่เราฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินในฟังเราก็ได้ยินในฟังสิ่งที่เราเคยได้ยินในฟังอยู่แล้วก็เข้าใจแฉ่งแจ้งมีทิฏฐิและความเห็นที่เป็นไปกับอริยสัจในขณะที่เราฟังจิตก็ย่อมสงบ นันมันแตกต่างกันการฟังในขณะที่เราฟังอยู่จิตเราก็สงบเป็นสมาธิขึ้นมานี่คือการฟังเป็นถ้าเราฟังไม่เป็นเหมนมันก็ได้แต่เสียงกดเสียงบนเสียงด่าของพ่อของแม่ของอะไรต่ออะไรกับนกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองการเห็นผู้เห็นคนเกิดแจ็เจ็บตายก็เห็นกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ใจไม่สลดสังเวช ไม่ได้เข้าไปถึงใจฉะนั้นมันก็การได้ยินหนึ่งมันก็เลยเปล่าประโยชน์ไปเป็นศูนย์เปล่าเป็นการเสียวเวลาศูนย์เปล่าเพราะฟังไม่เป็นถ้าหากเราฟังเป็นเราจะเกิดความตระหนกตงเวทขึ้นมาพันพูดถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเฉยเฉยก็ตามมันก็จะเกิดความตระหนกตงเวทขึ้นมาในการท่องเที่ยวของตักโลก มันแตกต่างกันในการฝังฉะนั้นในภาคปฏิบัติแนวทางของครูบาอาจารย์ที่พาทํากันมาหรือดําเนินกันมามันจะไม่ช้าและก็จะไม่เร็วจะไม่มีอะไรที่หวือหวาทํากันไปแบบเรื่อยๆสบายๆนั่นคือเป็นแนวทางที่เกินไปกับมัตติมาเป็นไปตามนิสัยใจคอของตัวเองไม่ดัดจริต นี่เนะี่ยแปลงยื่นเป็นไปกับมัดมันจะเป็นไปแบบนั้นเราเฝ้าสังเกตได้ถ้าอะไรยิ่นเป็นไปกับมัดเนี่ยมันจะเป็นไปแบบที่ไม่มือหวาจะเข้าหกเข้าใจไปตามลําดับอย่างสิ่งที่ว่าเราไม่เคยได้ยินในฟังเราไปได้ยินในฟังสิ่งที่เราได้ยินในฟังอยู่แล้วก็เข้าใจแฉ่งแจ่นะมีจิตจิและดวมเห็นที่เป็นไปกับอริยสัจ มันแตกต่างนันอยู่ตรงนี้ในขณะที่เราฟังจิตเราก็สงบเป็นสมาธินั่นมันแตกต่างกันตรงนั้นการฟังทุกวันนี้ไม่รู้ฟังกันแล้วได้อะไรฟังกันแล้วมีแต่ที่จิตที่เห็นผิตก็ฟังไปแล้วจิตก็พุ่งต้านนั่นมันไม่เป็นไปกับอัดกับกับทำเพราะว่าเราฟังจิตฟังไม่เป็น มันก็เลยไม่มีปัญญาฉะนั้นพูุทธเจ้าถึงว่าสุตังละพะเตปัญญงผู้ฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาจากสาอ้างที่เรียกว่าสุตตะมยปัญญาการได้ยินได้ฟังเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เข้าไปตึกกองในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นตึกกองดูรู้เหตุผล เทวดาตรัตมยปัญญาจินตามยปัญญาคือการฝึกกองภาวนามยปัญญาทําให้ใจสงบได้ที่เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อเราฝึกตองด้วยก่อนมันถึงจะเกิดปัญญาภาวนามยปัญญาเขาคือทําความสงบของใจเมื่อมีความสงบของใจแล้วก็มาพิจารณาที่ว่ามาฝึกกองนั้นแหละนั่น ถึงได้เกิดเป็นปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาแบบลอยๆไม่ได้ไม่มีปัญญานั้นจะต้องเกิดขึ้นมาจากการพิจิรพิจารณาให้ควรใส่ตองไปก่อนเราเห็นเหตุผลรู้เหตุผลรู้เบื้องต้นรู้ทำการรู้ที่สุดของแต่ละเรื่องที่เราตึกตองนั้นนั่นเป็ น, น จ, ะจะเกิดปัญญาดังนั้นการฟังหรือการทำตรงเข้าใจ ้นผู้ปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกกับหลักธรรมกสันงอนของผู้เจ้าถ้าหากเราทำความเข้าใจไม่ถูกมันก็กลายไปเป็นมิจฉาทิจิคือความเห็นผิดเส้นทางมันมีอยู่นิดเดียวที่จะเดินให้ถูกกับหลักของมรรคหลียออกจากหลักของมรรคเรามันเป็นมิจฉาทิสิไปเลยกลายไปเป็นเดือดอยู่เลยนั่นะ มันแตกต่างกันอยู่ตรงนั้นฉะนั้นการปฏิบัติหรือการทํากามเข้าใจนั้นจะต้องศึกษาโดยวกว้างๆดูก่อนเมื่อเราศึกษาโดยวกว้างๆดูแล้วอันไหนที่มันเป็นไปกับมั้อันไหนที่ไม่ใช่เป็นไปกับมั้อย่างการกาทําสมาธิภาวนากันทุกวันนี้ทุกเ้ถามว่าเคยไปที่ไหนบ้างถ้ามันทําแล้วมันเป็นไปกับมั้มันจะพยายาม ไม่ค่อยมีปัญหากับตัวเองและผู้อื่นมีสิ่งที่เป็นไปกับมัดถ้าสิ่งใดที่ไม่เป็นไปกับมัดมันก็จะมีปัญหากับตัวเองและผู้อื่นนีคือสิ่งที่ไม่เป็นไปกับมัดฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวของเราก่อนว่าการปฏิบัติเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดเราจะเอาสินสมาธิ ist, ปัญญามาเป็นเครื่องวัด คำวสิญน์คำว่าสมาธิคำวปัญญาปัญญานั้นจะต้องเป็นผู้รอบรู้ในกองสังขารไม่ได้หลงสังขารมาเป็นตัววัดถ้ามันหลงคือวิ่งตามอันนั้นเรียกว่าคนหลงหลงความคิดหลงความอ่านตัวเองแล้วก็วิ่งตามความคิดความอ่านตัวเองอันนั้นเรียกว่าหลงแต่ถ้าไม่หลงนี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่ สิ่งนั้นต้องสลายไปเป็นธรรมดามี่กือความไม่หลงแต่ถ้าเราเห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้ววิ่งตามนัน่นเรียกว่าเราหลงต้องมีสิ่งเทียบเชียงไว้ก่อนที่จะปฏิบัติเมื่อเรามีเทียบสิ่งเทียบเทียงไว้อะไรถูกอะไรผิดเราต้องมองเห็นเส้นทางถูกกับทางผิดก่อนไม่ใช่เราก็บอดอยู่แล้วก็ไปปฏิบัติก็ไปปฏิบัติก็ไปไม่รู้ว่าัดอะไรไม่ คูบาจารย์ยัดอะไรมาให้ก็ไม่รู้เอาไปหมดเอาไปหมดก็กลายเป็นขยะนี่จะขยะเต็มหัวตัวเองบัดนี้ไปไหนก็ไม่ได้เพราติดขยะออกข้างนอกก็ไม่ได้เข้าข้างในก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้น น, นี่จะขยะติดพันไปหมดบัดนี้พีรุงตุงนั่งไปหมดพอปฏิบัติไปปฏิบัติมาแบบนี้ร้องให้อย่างที่เห็นในเห็นอยู่กลว่ากพ่ออะไรไปติดขยะมาไปเอาขยะมา พอได้ขยะมาแล้วแบบนี้ไปไม่ได้เต็มตัวไปไหนก็ไปไม่ได้มีแต่ขยะเต็มตัวเลยมองไปทางไหนไม่เห็นแต่ขยะไม่รู้จะทําอะไรแบ่นี้เอาขยะออกไม่ได้ขยะมันล้อมตัวอยู่ไปไหนไม่ได้เลยเดินไปไหนไม่ได้ก็เหมือนเดินกับไปตัวหมอนที่มันถักใยเสร็จแล้วก็เอาไปลงน้ําร้อนนั่นนี่คือไปเอาขยะมาให้มิดหัวตัวเองเลย ออาขยะมาใส่ถักรอบไว้เลยแบบนี้ไปไม่ได้ร้องไห้เอากลัวเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเกิดความหวาดระแวงขึ้นมาเกิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาอัน น, นคือปฏิบัติมันผิดมันเริ่มผิด ต, ต, ตั้งแต่เรื่องต้นฉันจะเริ่มลงมือปฏิบัติอันหนึ่งมันจะทําให้หลงอันหนึ่งจะทําให้รู้มันแตกต่างกันอในตรงนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องทําความเข้าใจกับตัวเองเยก่อน เมื่อเราทำความเข้าใจกับตัวเองได้แล้วบัดนี้จึงลงมือปฏิบัติสถานที่การได้ยินได้ฟังอันนี้ก็ต้องดูว่ามันเป็นยังไงสถานที่ที่เราจะปฏิบัติมันเป็นสถานที่ที่ส ง, งบเงียบไม่พุกพ่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและกลางคืนสถานที่ที่จะปฏิบัติเมื่อมันเป็นสถานที่ที่สงบไม่มีการะเล่นไม่มีมโหฬสพ บ, บงนัน แล้วอีกอันหนึ่งอ่ะที่มีปัญหากันอยู่กับผู้ปฏิบัติทุกวันหนึ่งคือโทรศัพท์แต่คนที่จะมาปฏิบัติต้องปิดโทรศัพท์ถ้าไม่ปิดโทรศัพท์ไม่ต้องมาปฏิบัติก็ได้อยู่ที่บ้านน่ทําอะไรอยู่ที่บ้านถ้ามันเป็นธุรกิจร้อยล้านพันล้านก็ไปทําธุรกิจพันล้านเงินก้กอนแต่มันเสร็จภารกิจตรงนั้นก่อนแล้วถึงมาปฏิบัติเพราะถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร มันเสียเวลาเปล่าประโยชน์มัวแต่พูดมัวแต่คุยกันอยู่ทั้งคืนกลางวันก็เหมือนกันทั้งวันเราจะตั้งใจปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งนั่งภาวนาครั้งเดียวก็รู้ผลเดินดุ่มกรมครั้งเดียวก็รู้ผลถ้าเราจะตั้งใจปฏิบัตริรู้เลยว่ามันสงบหรือไม่สงบเมือนกัเอาอาหารเข้าปากแล้วเรารู้เลยว่ารสชาติเป็นยังไง มันเบ็ดมันหวานมันมันมันเจมอะไรก็รู้ได้ทันทีฉะนั้นผลของการปฏิบัติก็รู้ได้ทันทีนับตั้งแต่เราลงมือปฏิบัตินั่งไปไม่ถึงยี่สิบนาทีนี่เรารู้แล้วว่าจิตใจของเราเป็นยังไงมันสงบไหมสงบมันไม่สงบเพราะเหตอะไรมันพุ่งสรางมันพุ่งสร้างอัดคำบริกรรมภาวนาเข้าไปมันฉี่เข้าไปฉี่เข้าไปฉี่เข้าไปตามแนวทางของครูบาอาจารย์ที่แนะนําไป ในเมื่อเรารวบรวมพลังกาลังของเราเข้ามาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติพอเราลําลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลําลึกถึงบุญปุณของครูบาอาจารย์ล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วลําลึกถึงพ่อถึงแม่รวบรวมพลังกาลังของเราเข้ามาเราจะตั้งใจปฏิบัติด้วยการทําสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานก็มีอยู่สีอย่าง มีบริกรรมชวนะมีคณิกาสมาธิมีอุจารสมาธิมีอัปปนาลสมาธิลักษณะของบริกรรมเชิญวะนะจิตก็จับอยู่กับคำบริกรรมแต่คำบริกรรมนี่เราจะเอาอะไรเป็นคำบริกรรมก็ได้ไม่ว่าอะไรเปลี่ยนแต่มันยึดให้มันเป็นที่พิงของจิตเหมือนกับเราเดินทางไปตามถนนนนทางเงนี้ไหมที่เขาปลูกต้นไม้เวลาเขาปลูกต้นไม้ใหญ่ หือปลูกต้นไม้ขนาดกลางๆเขาก็จะเอาต้นอีกตัดมาอีกสี่ต้นมาทั้มยันไว้หรือตามต้นมาทั้มยันไว้ไม่ให้มันลม้มให้รากมันเดินไปเอ ง, งก่อนพอารากมันเดินยึดดินได้ที่แล้วไอ้ไม้ทั้มนั้นมันจะปลูกพังไปเขา ก, ก็ทิ้งไปเลยแต่อันนี้ก็เหมือนกันเราก็หาที่จริงของใจคือคำบริกรรม เราจัดทำบุญกรรมเข้าไปเนี่ยเราลอ้ลอมน้อมน้ำึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วก็นึกทำบุญกรรมภาวนาวางกายของเราให้สบายวางดวงใจของเราให้สบายตั้งเจตนาขึ้นมาว่าเมื่อจิตเราสงบเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาแล้วเราจะถอยกลับมาพิจารณาอยู่ที่อุปัชระรสมาธิอันนี้ปัญหาของผู้ปฏิบัติคือ ได้ยินเขาว่าปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเลยจิตสงบเป็นยังไงไม่รู้อันนี้เราต้องศึกษาการเฝ้าดูก่อนต้องมีการตั้งนาฬิกาชีวิตขึ้นมาเราเรียนไหมเวลาเรานอนกลางวันหรือนอนกลางคืนวันไหนที่เราจะออกไปทํางานนอกบ้านเราจะตั้งนาฬิกาชีวิตว่าวันพรุ่งนี้เราจะออกไปตีสี่ตีห้าหรือออกไปแปดโมงเก้าโมงอะไรเราก็จะตื่นขึ้นมาก่อนเวลานั้นหน่อย เข้าห้องน้ำมั่งฆ่าอาบน้ำมาฆ่าเสร็จเรียบร้อยแทงตัวแทงเจอเสร็จแล้วก็ไปได้พอดีกับเวลาที่เราต้องการอันะอนี้การทําสมาธิภาวนานนะั้ก็เหมือนกันเมื่อเราตั้งเจตนาขึ้นมาเมือ่อจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราก็ปล่อยกลับมาพิจารณาอยู่ที่อยู่ปัจจัสมาธิเพราะอัปปนาสมาธิามันละเอียดเกินไปมันพิจารณาไม่ได้ถ้าเป็นจิตธรรมดามันก็อยากเกินไป มันพิจารณาแล้วมันไม่ได้มันไม่ขาดฉันก็เลยต้องมาภาวนามาพิจารณาอยู่ในระหว่างพิจิตกลางๆพอ <c oughs> บริกรรมไปแล้วแบบนี้รู้ว่าจิตมันมั่นคงการตั้งมั่นของจิตอยู่ได้มั่นคงได้เนี่บริกรรมสวนะเราก็ค่อยๆทายทําบริกรรมออกให้เหลือแต่ความรู้สึกของใจที่มันตั้งมั่นอยู่ ตั้งมั่นได้ชั่วขณะจิตหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งก็คือเหยียดนิ้วมือออกกำนิ้วมือเข้าสิทธั้งอันนี้เรียกว่าชั่วขณะจิตหนึ่งคือ ป, ประมาณจิตวินาจีจิตตั้งมั่นอยู่ได้ชั่วขณะสิบวินาจีแค่นั้นน่ะก็รู้แล้วว่าจิตเป็นกาสมาธิแล้วก็กลับมาจากทำบริการใหม่อันนี้พอจิตคลายจากทำบริการออกไปก็ตั้งมัน่นในนานขึ้น จนกระาทาั่งว่าเกิดผูกกรหานิมิตรหรือปฏิภาสคนิมิตอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิผูกกรหานิมิตรหรือปฏิภาสคนิมิตนี่ผูกกรหานิมิตก็คือรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมันแต่ปางก่อนถ้าเป็นปฏิภาคนิมิตมันก็จะเห็นร่างกายของเราในปลายเกิดหรือฝ่ายดับอันนี้มันจะเห็นอะไรก็ตามเราจะเป็นสนใจมันมาก เราก็คลุกจิตลงไปเป็นอัปนาสมาธิไม่ได้เราเห็นแล้วเราจะไปยินดีจะไปยินร้ายกับอาการที่เราเห็นนั่นคือเรื่องการทำสมาธิภาวนาเท่านั้นไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องทายอะไรล้วก็กลุก <exhausted> จิตของเราลงไปเป็นอัปนาสมาธิเมื่อเราคลุกจิตของเราลงไปเป็นอัปนาสมาธิแล้วมันจะเกิดความเย็นความสบาย แล้วเราก็ลถอยกลับมาหาอุปจารสมาธิตามที่เราตั้งเจตนาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งเจตนาไว้มันจะตกอยู่ในอัปปนาสมาธิหนึง่งเป็นสมาธิหวัวต่อไปเลยเนาะพอกําหนดต่อไปต่อไปไม่ได้เข้าไปเลยเข้าไปตัวอัปปนาสมาธินั่นเลยแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติพอเราลงไปเป็นอัปปนาสมาธิก็ตามที่เรากําหนดเวลา อยู่ในอปปนาสมาธิหนึ่งชั่วระยะหนึง่งแล้วก็อล่อยลับขึ้นมาพิจารณาไปมาพิจารณาอะไรมาพิจารณาส่วนที่มันเห็นมันเห็นอะไรมันจะเห็นสังขารร่างกายของเราหรือของตัวเราเองหรือจะเห็นรูปภาพต่างๆก็แล้วแต่มันจะเห็นเหมืนถ้ามันเห็นอะไรเราก็พิจารณาให้เห็นที่เกิดที่ตั้งที่ดัดของมันเห็นตามความเป็นจริง แล้วเราก็ดูไประยะหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาหาคำบริกรรมอีกเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนั้นนี่ที่ว่าสมัยก่อนพวกเราภาวนากันนั่งภาวนาครั้งหนึ่งจิตสงบสองสามครั้งก็พอเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเข้ไปเดินหน้าลงไปจนถึงอัปปนาสมาธิแล้วก็ถอยมาตามลําดับมาพิจารณาอยู่ที่อุปจารสมาธิ มาพิจารณาอะไรมาพิจารณาสังขารร่างกายของเราส่วนไหนที่เราว่ามันเป็นเราเป็นของของเราผมหรือผนแล็บปันหนังเหลือธาต ด, ดินธาตน้ําธาตุลมธาตไฟนี่หรือว่าเป็นเราและเป็นของของเรามันจะไม่มีของเราเอาลองไล่ไปดูสิดินก็เป็นดินที่มีอยู่ในโลกนี้น้ําก็เป็นน้ําที่มีอยู่ในโลกนี้ มันมีแต่น้ําในร่างกายของเราน้ํามีห้วย ห, หนองบองบึงก็มีจะแยะไปไปก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันแสดง ว, ว่าร่างกายของเราเนี่ไปเอาธาตุทั้งสี่ของที่มีอยู่ในโลกนี้มารวมกันเท้าให้เหมาะสมแล้วกลายมาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุนนคคลเป็นเราเป็นเขานี่แต่แล้วเราก็จะต้องทิ้งร่างกายนี้ลงไปฝังทับแผ่นดิ น, นนี้ไว้ เหมือนกับบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายโคตรสีกาฮะก๊าซคาร์โบทั้งหลายนั่นเหมือนที่ตายไปตายไปเขเอาไปไหนน่ยเขนไปเอาอะไรบ้างไปเอาดินไปหรือเอาน้ําไปเอาลมไปเอาไฟไปไม่มีไม่มีใครที่จะได้เอาอะไรไปเลยแม้แต่แก้วแวนเงินกองเงินเอาใส่ปากไว้พวกตะเปก็ยังงัดเอาเลยนั่นไม่เห็นว่ามีใครที่จะได้เอาไปตะเปเรงัดเอามี สัปเหร่หมอหนึ่งมันเข้าใจดีมันเก็บเงินปากสีมาตั้งเป็นกองผ้าป่าตั้งเป็น ก, กองผ้าวป่าถวายมันทําอยู่หกเดือนมันได้เงินตั้งหกเจ็ดหมืน่นรายชื่อกลกรรมการผ้าวป่ามันมีจะคนตายแล้วกันนั้นกรรมการผ้าวป่ามันภายหลังมาพวกญาติพี่น้องเห็นเงินดินกองแจก็จเลยมาร่วงทาบุญทาบุญถวายผ้าป่ากับไอ้สัปเหร่ มันเลยคิดขึ้นมาทำบูรณปฏิสขอนโบสถ์วิหารตลามีนตลาอะไรต่ออะไรต่างๆภาษีใหม่ปรปรุงใหม่พรมันาพระปราศรองลอกอะไรนได้พอเงินปรัปรุงมันเอาเงินปากสีมารวมทาบุญกรรมการท้าปราว่า ม, มันพิมพ์เอาตั้งแต่ลายชื่อคนที่ตา ย, น, ยนี่ยมันดูที่มางเงินที่ก็ใส่ปากไปมันก็นยังระคบ มีคนมีเจติกปัญญาเอามาทําบุญให้แต่คนไม่มีเจติปัญญาอก็เอาไปชิมจิตนั่นาเจ้าแห ว, วนเงินทองต่างๆไม่มีสมบัติของใครในโลกเป็นสมบัติของโลกโดยแท้แม้แต่พระเจ้าจากฐฐักรพรรดิปอดมงกุฎประดับเพชรเดินเรลืองสร้างเงินไปกับชาวนาที่วางจอบและเสียมนั่นไม่มีมงกุฎประดับเพชรก็ไม่ได้เอาไปชาวนาก็ทิ้งจอบทิ้งเสียมแล้วก็ไปไม่มีอะไรเลย การเมื่อเรามาเข้าใจอย่างนี้วันนี้เมื่อเรามาพิจารณาถึงสัมสารร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เห็นตามความเป็นจริงมันอย่างนี้ไอตัวไหนเน่ยที่มันทําให้จิต ก, กําเริบไปไม่มีร่างกายไม่ได้มาทําให้จิตกําเริบหรอกแต่ใจมันกําเริบเพราะมันต่างหากฉะนั้นเราก็ตามเข้าไปพิจารณาที่ใจเมื่อเราทําร่างกายของเราจนเกิดความจ้าจองขึ้นมานะ การการทำสมาธิภาวนากานทําครั้งเดียวก็รู้ขึ้นมาได้เลยว่ามันผิดหรือมันถูกเราทําผิดหรือเราทําถูกเป็นไปตามกระบวนการนี้ไหมถ้ามันเป็นไปตามกระบวนการนี้ก็แสดงว่ามันผิดเมื่อมันผิดเราก็ต้องแก่เราจะแก้ยังไงที่จะแก้ให้มันเป็นไปกับมั้งแก้อย่างไรที่จะให้มันเป็นไปกับแนวทางของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติกันมาเท่านั้นน่นคือปัญหา การเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทํำความเพียรในโอกาสในเวลาที่มีอายุที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่มากมายอะไรนะไม่ถึงร้อยปีคนอายุร้อยปีนี่หาไม่ยากแล้วทุกวันนี้มีแต่คนอายุไม่ถึงร้อยปีละ่ะเมื่อคนอายุไม่ถึงร้อยปีแล้ววันนี้จะทําอะไรเรอยู่มานี่ก็มันจะขึ้นคนกว้างคนเข้าไปแล้วสามสิบปสี่สิขึ้นไปแล้วนี่วันนี้ยากแล้วอะไร พอห้าสิบหกสิแล้วก็หมดโอกาสแล้ววันนี้การที่จะมานั่งสมาธิการที่จะมาพิจารณาสังสารร่างกายก็ไม่ไหวแล้วมีเจตเวทนาเอาเวทนาเป็นเราหรือหรือเราเป็นเวทนาลั่นเราไปดูมันก็ไปตามันก็ไปอันไหนที่มันบอกว่าเป็นเวทนาอันไหนที่มันบอกว่าไม่ใช่เวทนาเราเห็นเวทนาเป็นเราหรือเราเห็นเราเป็นเวทนาเราตั้งใจทําตั้งใจปฏิบัติก็ไป ถ้าเราตั้งใจได้มากเท่าไหร่นั่นเป็นผลงานของเราเราเราเข้าใจได้มากเท่าไหร่ก็เป็นผลงานของเราเข้าใจอะไรเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดานี่คือเข้าใจธรรมะไม่มีใครจะได้อะไรในการปฏิบัติถ้าเรามาปฏิบัติแล้วว่าเราได้อันนู้นได้อนันนี้ได้ยิมิตได้อะไรอะไร น, นั้นเลีวไหลแล้วเป็นเรื่องหลอกลวงตัวเองแล้วถ้าว่าเราได้ ต้องเขียนว่าไม่ได้อะไรในโลกนี้แม้แต่สังขารร่า ง, างกายของเราที่มีอยู่นี่มันก็ไม่ได้นะมันจะได้อะไรนะมันก็เหลือแต่ความแก่หรือแต่ความเจ็บไข้ในพระยาให้เราเนี่ยเดี๋ยวก็ร้อยแปดพันอย่างในโลกภัยใกล้เจ็บเบียดเบียนหยุดปุ๊บกระเบียดนิ้วมีตรงไหนบ้างที่มันว่างไม่มีความเจ็บความปวดในร่างกายของเรานั่งนานๆก็เกิดความเจ็บความปวดขึ้นมาแล้วนะ่ นอนมาบ้ากับปวดหลังอริยบทนอนเนี่ยเป็นอริยบทที่ทรมานที่สุดถ้านอนไม่หลับลองดูคนนอนหลับเฉยนะที่มันไม่มีเวทนาถ้านอนไม่หลับนี่โคตรเวทนาลองบังคับไม่ให้มันหลับลองดูที่พยายามทำความรู้สึกให้มันเด่นเด่นเด่นอยู่ตลอดเวลาโอ้ยนอนกลางกองไฟซะเลยยังดีปวดนะมันจะได้ไหมหมดไปเลย ที่เรานอนอยู่ในบ้านของเราเนี่ยก็ตัวเถอถ้านอนกลางกองไปมันก็ไม่หมดไปเลยแต่อันนี้มันไม่มไม่หมดแต่เวทนา น, นี่มันแสนสะอาดในอริยบทนอนก็สังเกตดูปเป็นไรคนที่มันนอนไม่ค่อยหลับผูกคอตายกระโดดตื่นตายพวกมีพวกนอนไม่หลับนั้นพวกทำกิจกรรมิบากนี่คือเป็นนอนไม่หลับมันคนอยู่ได้ยากมาก มันไม่มีทางออกมันก็เลยปลุกควาตายไปเลยหรือกระโดดตึกตายไปเลยปลุกนอนไม่หลับแต่ว่าไอ้คนส่วนมากมันนอนหลับมันก็เลยไม่มีเวทนาอะไรมากไปดังนั้นการทํำสมาธิภาวนาถ้าเราทำให้ถูกหลักถูกเกณฑ์มันถูกวิธีการตัดสานของมันแล้วมันจะไม่ยากไม่มีอะไรจะยากจิตมันก็จะเป็นไปตามแนวทางของมันเลยเพราะว่าเรา เป็นผู้มีสภ า, านเต็มเปียมในภาคปฏิบัติในการกำจัดกิเลสส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดเมื่อเรากำจัดมันก็ต้องมีเห็นใน้ทางหลุดรอยออกไปให้เห็นบ้างไม่ใช่ว่ามันจะเพิ่มเข้ามาพอเราจำกัดมันแต่อันนี้มันไม่เห็นก็เพราะเห็นที่ว่าเราทำผิดทางทาผิดแนวทางของภาคปฏิบัติมันไม่เป็นไปกับมรไม่เป็นไปกับอริยสัจ อ๋อนั่งนานๆเพื่อนเกิดภพเขวเวศนาขึ้นมาดูที่ร่างกายเป็นภพหรือภพเป็นร่างกายใครเป็นคนไปให้ความสำคัญมัน่นหมายว่ามันเป็นภพแล้วคนตายนอนอยู่เป็นปีๆไม่เห็นมันบอกว่ามันภพเนี่ยที่เรานั่งอยู่แค่นี้ทำไมจะบอกว่าทภพยากําบากแล้วเอาเวลาไปทําการทํางานก็ว่าเน็ว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรกันแล้วใครเป็นคนให้ความสาคัญว่ามันเหน็บมันเหนื่อย ในครให้ความสําคัญว่ามันเป็นภุกอะไรเป็นภุกถึงผมเป็นภุกหรือหนังเป็นภุกหนังมีมาแต่เมื่อเกิดเอ็นเป็นภุกหรือทุกก็มีมาแต่เมื่อเกิดเอ็นกระดูกหรือกระดูกก็มีมาแต่เมื่อเกิดแล้วทำไมไม่ภุกเกิดเวลาอื่นทําไมเวลาเรามานั่งสมาธิ้าวนาเกิดเป็นทุกพลมานขึ้นมาทันทีทันใดถ้าหากมันเป็นภุกอันนี้มันจะต้องตาย มันก็ควรตายตั้งนานแล้วเพราเราเกิดขึ้นมาตั้งสามสิบสี่สิบปีห้าสิบปีแล้วแต่ทําไม่ไม่เห็นมันตายพรทุกข์แบบนี้ฉะนั้นเราพลนไปอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมในความทุกข์กับเวทนาอันนี้ถ้าหากเราพลันไปอีกคลนไปอีกคลนไปอีกคนไปช่วงกระทั่งของมันยอมรับว่าโอ้ไอ้ร่างกายนี้ไม่ใช่เรื่องของทุกข์เลยเด็ด ใ, ใจต่างหากที่ไปยึดมัน่นหรือมัน่นในร่างกายส่วนนี้มันถึงได้เป็นทุกข์นะ มันก็เห็นความจริงขึ้นมาถ้ามันเห็นความจริงแล้วจะไปไหนล่ะ <c oughs> มันไม่มีทางไปมันจะเห็นความสงบของใจฉะนั้นการทําสมาธิภาวนาการทําความเข้าใจกับตัวเองต้องพยายามหารู้ทางของตัวเองให้ได้เมื่อเราได้รู่ทางของเราแล้วนะในการดำเนินมันไม่ยากขอใ้ได้รู้ทางจะผ่อนได้สถานที่ได้ ครูบาอาจารย์ที่จะดูแลมีครูบาอาจารย์ที่จะดูแลแต่เราไม่เอาเรื่องเราไม่เอาต่างนี้ก็ไดไม่ได้มันต้องสมเนื้อสมน้ํากันในภาคปฏิบัติเมื่อครูบาอาจารย์มันพูดถึงเรื่องการทําสมาธิกันนะ่เราก็ลองดําเนินดูพูดแค่นี้แตลองเอาไปเดินดูไปทําดูทําจนกว่ามันจะสงบเป็นนับปนาสมาธิขึ้นมา ทำคืนนี้มันเป็นอั ป, ปนาสมาธิขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้ก็มาคุยกันใหม่วันเป็นยังไงแต่ให้ดาเนินแบบไหนเดจะจะบอกเองว่าจะทํำยังไงอันนี้พูดไปแล้วก็เหมือนกับพูดลงพุ่งหายไปเลยไม <c oughs> <c oughs> ่เห็นมาพูดเลยไม่เห็นมาบอกเลยว่า <c oughs> เวลากําหนดไปตามแนวทางของท่านนี่แล้วจิตใจมันเป็นไปมันเบามันสบายเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิได้อย่างแจ่มแจ้ง ประจักษขึ้นมาที่หัวใจของเรานะถ้ามันเห็นอย่างนั้นนะคนที่จะพูดมันก็น่าจะพูดอันนี้มันพูดไปเท่าไรมันก็เหนื่อยเพราะว่าคนทามันไม่ทําจริงทําจังมันเอาแต่เล่นมันเอาแต่แฟชั่นมาปฏิบัติเห้มันเป็นแฟชั่นเท่านั้นบางทีก็เป็นที่หลบหูหลกตาพ่อแม่ว่าเดีมาวันแล้วรู้สึกว่าพ่อแม่สบายใจแต่แท้ที่จริงแล้วเราไม่ได้ทําอย่างนั้นเลย เราไม่ได้ตั้งหกตั้งใจไปปฏิบัติเลยก็มีแบบนั้นก็มีแต่ถึงว่าอย่าหลอกลวงตัวเองถ้าหลอกลวงคนอื่นไม่มีปัญหาคนอื่นก็ไม่ได้สนใจแต่ถ้าหลอกลวงตัวเองมีเป็นบุกใหญ่แล้วหมดเวลาแล้วไปไปทําปันต๊ <c oughs>